เทศอบรมพระวันที่18กรกฎาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ก็ดีถึงฐานของกิเลสและธรรมดีตลอดกันถึงครึ่งมวลเทปของหน้าบี อย่างนั้นตต่เรื่องตายต้องไม่รู้ตมอา้จะทำมีคแนะนำขงที่บ้านที่คิดเราไม่รู้จะดเนินเขาพยยช่วยไม่รู้แต่ทาไมถึงไม่ปรากฏผล อ่านดูปฏิปทาก็เราคงคงเปคนเขียนเองแล้วก็เคยอ่านจบหลายจบแล้วอ่านลว ด, ด, ดูดึงเดี๋ยวรถครเต้นๆมามาอะไรเนียเรงกงไหนมาม้สั่งร่างงานมา ถ้าดิบีมีทำไมยุ่งในเวลากล้ๆผมกำลังบอกนะอดทีไรถายก็เกันเวลาแันถายไม่มีมันแสดงว่าท้องมันเสียแล้วก็องไดูความแงน้นขาขงาไปแล้วมันอุดใหขาที่เจ็บนะมันอุดให้ท้องมันไม่ อ, อืด เวลาอดมันก็เป็นในท้องแต่พอเริ่มฉั น, น, นฉันอะไรก็ ถ, ถ่ายออกหมดก ถ, ถ่า ย, ยู่เป็นเวลาหลายวันเลยก็สร้าปดคอหนอยท้องเกียแล้ ว, วคุ้ยอายุคนป้าแก่ก็ควรม า, างนห่งระเธอนี้้เก่อิตตัวเอง การไม่ถูกกับจ้าของอายุแต่ส่นมากการอาหารถูกแล้วเปิดแกอะไรที่ไหนฮะผมมีรถตัวบอลผมมีแต่ กานที่เราจะหาของดีวิเศษดังจองตราทั้งหลายท่านเผชินห า, า น, นั้นความริ้สึกในีง่ต่างๆตลอดกิริยาการอย่างการกระทาของเราต้องผิดปกติธรรมดาทุกอย่างไม่ฉะนั้นไม่เจอ จะเป็นนิสัยใดก็ตามมีเข้อใส่ว่าต้องมีหนักมือฉันควรจะตื่นเพื่อหเห็นลานเคล็ดลับของสิเงดิ์สประเภทใดบ้างที่ควรจะทําให้หนักเบามือขนาดไหนสำหรับเราแต่ว่าเราอยากมันก็ทุเราก็ยอมรับเราหยาบทําอย่างธรรมดาไม่ได้ ต้องมีผลเป็นส่วนมากกีจวัตรผลอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผลก็ปรากฏนี่มันทำให้ให้หยุดไม่ได้ถ้าทำธรรมดาเป็นเหมือนตัวทั่วไปมันไม่ได้เรือถ้ขข้นสงบมันก็ไม่สงบให้ถ้าเอาหนักมือเข้าไป มัดเข้าไปมักมันเข้าไปไมันติดก็สงบก็แสดงว่ากิเล็สนี่มันรุนแรงความเพียนไม่รุนแรงไม่ถันไม่ถึงมันนี่มันเป็นเครื่องบอกอยู่ในตัวถึงขั้นสงบนี่ก็แทบร่วงแทบตายถจริงๆสงบได้ปัญญาก็อีกเหมือนกัน แต่ปัญญานีคิดว่าจะไม่เหมือนกันตัวผู้ลาภแต่วเราต้องตามผู้ปฏิบัติที่จะผ่านท้นทุกข์ไปได้ไม่ปรากฏมีปัญหามีเหตุการณ์เรื่องอะไรให้ในให้ใช้ความความปิน่นป่เชิญมาแก้ไขถอดถอนเลยนั้นเราไม่เราไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ก็ไมมีปัญหาใดๆเลยแล้วผ่านไปเรื่อยๆนอกจากที่ปากันยาให้รู้ได้เลย น, นั้นยกไว้แต่ธรรมดาจะทั่วแบบนี้ยังไงก็จะต้องเจอปัญหาที่จะให้ขุดให้ค้นให้ฟากปันกันทันแหลกกันลงไปหลายเนี่ยหลายกระทงจนจนเหมือนธรรมจัก มันถึงเป็นไปได้ขั้นปัญญาล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้ น, มนธมาธีก็ต้องมีสติบังคับไม่มีสติเถอเมื่อไรจิตต้องปรุงออกเมื่อนั้นความปรุงออกของจิตนั่นแหละเป็นภาพเป็นเรื่องราวหลอกเจ้าของให้หลงเพลินไปตามเหงาตัวจริงมันปรุงอยู่ภายในจิตแต่เงามออกมาแสดงหลอกตัวองอยู่ภายนอกแล้วก็เพลินไปตามเ่าั้นเสีย นร้อยทั้งร้อยต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันผู้ปฏิบัติถ้าไม่สราบอย่างนี้แล้วผิดท้าความต้งบ อ, อกไม่ได้ต้องสังเกตผิดถ้าเรามีสติอยู่ขนาดที่ผิดจะปรุงมันจะมีลนะักษณะดันดันออกมาแล้วปรุงยัดแต่ทีนี้มันรู้ไม่ได้เพราะมัน มันออกเวลาเผลอตอนนั้นไม่มีสติมันปรุงแบบไหนแล้วก็ไม่รู้รู้ตั้งแต่มันออกเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วแล้วก็หลงเรื่องราวนั้นไปหลงเงานั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแผลเป็นแนวไม่มีที่สุดวิจิตรเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นงั้นต่อเรืนั้นก็เพราะเงสังขารมันปรุงติดปรุงต่อปรุงไปเรื่อยๆคิดอยู่ไม่หยุดนะท้อ หลงไปตามเงานั้นเป็นเรื่องเป็นราวตรงว่านั่งภาวนาวมันนั่งหลงอารมณ์มันก็จะนั่งดูจุดทั้งมันที่จะแสดงอารมณ์ออกมาแสดงเหตุออกมาแสดงเรื่องแสดงเงาออกมาสติไม่มีอยู่ที่หน้าจิตหาความสงบอย่างไรได้ให้ท่ากันเข้าใจให้ดีตรงนี้ เป็นอย่างนั้นแท้ๆไม่สงสัยนี่เคยเป็นมาแล้วรู้อยูแล้วไม่รู้ได้เอามาพูดได้ยังไงีคันสงบทำปิดให้สงบก็ต้องจดจออตรงที่มันตรงตรงนั้นคือความยุ่ยแย่ครอบครนตัวเองนั่นแหละความตรงความคิดทั้าติเป็นเครื่องรับรู้ อยู่กับจิตที่มีสิ่งที่พาให้ปรุงให้คิดให้รู้อยู่ตรงนั้นตรงไปค่ามเป็นหมายอะไรเหมือนโลกมีไม่มีมีแล้วพความรู้เจ้ากันอยู่ตรงนั้นตรนั้นมันจะครุงเรื่องอะไรขึ้นมาจะเจาะกันอยู่ตรงนั้นเนือคำบริกรรมก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรม ปรุงเป็นคำบริกรรมไม่จา่ายาเป็นสังขารส่วนสมุนไพรเป็นส่ายมากผิด ก, กันเพราะความปรุงวันนี้มันจะปรุงเพื่อความทุ้งท่าปรุงเพื่อความสงกสังเขปเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นลายที่ให้เกิดความทุ้งท่าทำไม่ใชพาให้คนทุ้งท่แต่โลกอารมณ์ของโลกนั้นมันพาใหุ้นพาให้ทุ้งท่าแต่ผิดทิศไปรทาง โลกของสามมันก็เป็นของคนไทยคิดเท่าไรไม่มีสุดมีสิ้นไม่มีอิ่มพอคิดไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยรลอกไปเรื่อยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งหลับไปก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเราตั้งใจมาหาผลหาประโยชน์ถ้าติตั้งลงให้ดีกำหนดดูที่สุดนั้น เป็นคำบริกรรควห้รู้อยู่กับคำบริการมีแ น, นขั้นเพื่อความสงบให้ทำอย่างนี้ถึงมีความสงบพอสควรแล้วก็ควรจะหาอุบายคิดในแง่ปัญญาโดยยกอาการอย่างร่างกายจะเป็นอาการใดก็าตามฝ่ายรูปก็มีหลายอาการถึงสามที่สองอาการเหตนาสุขทุกข์เฉยเฉยั้งทางร่างการและจิตใจนั่นก็มี แต่คิดเป็นงเงๆ้ใดให้เป็นปัญญาข้คิดจิตสงบตัววรือจิตเรียบสงบตัวเรียบรวมตัวเข้ามาจิตก็เลยรับความสงบมันไม่ค้า น, นคว้านี้เหมือนอย่างจิตธรรมดาที่หาความสงบไม่ได้าจิดมีความสงบแล้วพอเป็นบัตเป็นฐานหรือเป็นปากเป็นทางที่จะให้ได้หายใจ พอมีความสะดวกสบายบ้างเพราะความไม่สงบของจิตนั้นก็คือความพุ่งสร้างวุ่นวายก่คอความตึงเครียเรื่องต่างๆทั้งวันทั้งคืนอืเอายากคิดป้อนเข้ามาป้อนเข้ามาสู่ใจผมที่ไดยรับจิตนี้ตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากเกลือกับความโกับกวาสายหกป้อนเข้ามามอยู่เมื่อจิตมีความสงบ ย่อมเย็นความคิดเหล่านี้ก็จางไปจางไปนะหนักเมื่อเราทราบแบบงนั้นแล้วก็ให้มีาติกเพิ่มทัวขึ้นไป ม, มีความสงบพอสมควรถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญากอพิจารณาจะนำสิ่งภายนอกมาพิจาราก็ได้ ดังที่เคยพูดแล้วไม่ผิดเป็นรูปผู้รูปชารูปตัรู ป, ปรบุปคคลอะไรต่างภายในภายในเทียบเทียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนในเรื่องความปฏิบูลณสัพเพ์ปุ่นเ ร, ร, ร, ร, ร, ร, รื่อความเป็นความตาความแปรกภาพความสลายลงไปแห็นร่างกายของเขาของเขาของเราจิตมันหมุนติ้วติ้ว อ, อยู่นั้นทํางานอยู่นั้นพิจารณาแค่ส่วนนั้นปัญญา สติต้องแนบสติเป็นยาประจําบ้านเว้นไม่ได้สติกราบพรศาจากไม่ได้นั่นว่างานชิ้นใดสติต้องแนบอยู่เสมองานธรรมถาคือความสงบก็มีสติจิงจะเป็นความสงบได้งานวิปัสสนาก็คือก็มีสติถึง จ, จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนกล้องแค่วงไว ถ้าะติไม่มีก็กลายเป็นสัญญาไปเทีย้ยในเบื้องต้นปัญญามักจะเป็นสัญญาเพราะเรายังไม่เห็นหรือไม่เนผลพอที่ให้เกิดความขยินหรือเกิดความพอพอใจในผลที่เกิดกินแล้วและผลที่ยังไม่เกิดก็ต้องสอบเสยหาเรื่องความภาคเพียรดูทางปัญญาเมื่อยังไม่เห็นผลอยงนี้ปัญญาก็มักจะกลายเป็นสัญญาไป จึงต้องได้บังคับบัญชาด้วยเจตนาพิจารณาสิ่งใดให้ดูสิ่งนั้นไข้ควรสิ่งนั้นคลี่คลาดูสิ่งนั้นด้วยเจตนาให้เห็นอย่างชัดเจนโดยลําดับําดับพอมีมีเงื่อนเราจะถอดถอนสิ่งใดได้กิเลสตัวใดได้แล้วมัน ก, ก็เห็นผมขึ้นมาความในจิตต่อของเองื่นแล้วต่อจากนั้นก็ปัญญาก็เป็นปัญญาไปเรื่อยเรื่ยวยจนกทั่งเป็นปัญญารุวนล้วนสัญญาอบ แทกไม่มีเลยถึงขันนั้นลแล้วมันก็ไม่เป็นไรมุ่งต้นที่จะพิจารณาให้เป็นความสงบมันเป็นปัญญามันลาาําลบากอย่าเอาความลําบากที่กล่ามาหล่านี้ไปเป็นอุปสรรคเพื่อจีบความตัวเองงานที่ไม่เป็นเม็ดเต็นหน่วยก็เพราะกลัวว่าลาําบากนั่นเองตันนั้นก็ทีเกลียดอ่อนแอไปเสียเลยไม่ในเรื่องเวลา นี้ั้งแต่อารมณ์ของโลกมาเต็มหอวใจเราก็ควรจะเห็นโทษของมันแล้วอยู่กับโลกค้าขาวกันมาตั้งแต่วันนี้กับเบี้ยสาภาวะกับเรื่องสัญญาอารมต่างๆที่เกี่ยวกับโลกก็ควรจะเห็นโทษของมันในงานนี้เรามาเครื่องตุในทางด้านปฏิบัติควรจะให้มีความภาคเพียรเต็มแม้เต็มหมดอำนาจ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 ที่จิตจะได้ผลถ้าปราศจากสติแล้วไม่ได้เรื่องนี่ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นูปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่กปรากรผลเป็นที่พอใกล้เป็นหนักเป็นหนักไปไม่มีสติสติอ่อนอ่าสติอ่อนแล้วก็อย่างว่าเห็นได้ถึงอ่อนเพราะการเสนสติมีกําลังน้อยไม่ค่อยสืบต่อกัน สติเป็นสิ่ ง, งที่แก่กล้าสามารถได้เช่นเดียวกับปัญญาปัญญาก็ล้มลุกผลุกคลานทีแรกเพราะยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาแต่พอปราบผลผลขึ้นมาเป็นระหนัดระบายแล้วนั้นปัญญาก็เป็นปัญญาและตั้งหน้าต่างๆขุดค้นพิจที่์พิเจอณจนเกิดความติดปกติดใจเกิดความเพลิดเพลินในการพิจิร์พิเจอณจนกิดความติดปนติดใจกิดความลิดเพอินในการพิจิตร์พิเจอณ ความเพลินในการที่จะนาเกินตัวก็เรียวกว่าเป็นสังนวตอันนัน้นคือไม่ทอดีถ้จาจักความโค้งของจิตคือค้อนอยู่ตอลอดเวลาแต่ไม่ใช่อี่ถระจากกูจักในนิวรณห้าที่มีอยู่ในสามัทินทั่วไปผิดกันตรงนี้อันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกของสาม ใ, ใดๆภายนอกนี้ต้องจะหมุนติ้วอยู่ภายในขันวงขัน ด้วยปัญญาพิจารณาดูทางไตรลักษความเกิดความดับของความปรุงความคิดของตัวเองเปิดแก่กล้าได้อย่างนั้นสติก็เกิดกล้าไดปัญญาก็เกิดกล้าไดเราไม่เคยคิดเคยเน้นตั้งแต่พอรู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมานี้สติปัญญาเหมือนที่อยู่กับงานนั่นตลอด น, นี่เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยคาดคิ้ไปแต่ก็ปรากฏได้เป็นเช่นนั้นแล้วตั้งแต่ขนาดตื่นที่แรกจนกระทั่งถึงขนาดลัาเราได้เผอมีเวลาใดบ้างมีเผอที่ตรงไหนมีไหนไม่ปรากฏเลยนะฟังดิสติถ้าไม่แจกแต่กล้าได้ทำไมมันจะไม่มีเผล่ไม่ได้ตั้งค่าตั้งาทางเพืจะไม่เผอสตินะ มันเป็นสติอัตโนมัติมันเผลอกัได้อย่างไรมันจะเผลอได้อย่างไรถึงขั้นสติปัญญาอัตโงมันแล้วมันต้เปลนนั้นในขั้นพุทธการถนัะเป็นมหาสติมหาปัญญาเข้าไหมคือการต้องเคยพูดเสมอฝึกสติให้เป็นมหาสติที่ฝึกปัญญาให้เป็นมหาปัญญามอย่างงั้นมันจะทันกลมายาของที่เหลือเลดมัน สังสมตัวมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่การภายหัวใจจนมองดูที่ไหนไม่เห็นมีธรรมแทกเลยเนี้ตั้งแต่กิเลกเคลือ่อนรู้เป็นอยู่ภายในหัวใจมันมีกําลังมากขนาดนั้นแหละกิเลสสติปัญญาของเราไม่เพียงพอจะว่ากราบกิเลสได้อย่างไะย่างจงสังสมอบรมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับกําลังของกิเลส ให้เหนือกําลังของกิเลสเมื่อสักําลังของสติปัญญาเพียงพอแล้วเหนือกําลังของกิเลสแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเหนือสติปัญญาไปได้ไม่ต้องถูกทำลายไปหมดอาจารยูกาจารูดเด็ดมากเพราะนิสัยท่านแม่ผูจามันเป็นนิสัยอาชานันหนมีความอุบาทกะหามคล่องแคล่วว่องไวพูดตรงไปตรงมาตาม ที่ใจของท่านที่เป็นคนจริงจังไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับผู้ใดแต่กับที่เลก น, นั้นท่านฉลาดมากที่เล่ห์มีเล่เหาาเ์เหลี่ยมยังไงครับทำเจ้าเำให้เหลี่ยมของที่เล่ห์เป็นอุบายของท่านเองเราสป น, นักปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพยายามไม่เห็นมหาสมบัติภายในจิตทั้งสดวเวลานี้จิตกำลังถูกที่เล่ห์ลุมล้อมอยู่เต็มหมดภายในจิต ปัญหาดูจิตภายในตัวจริงๆไม่เจอมีแต่เรื่องของนอนกิเลสน้อมตหมดพุดออกมาขณะใดปรุงออกมาขนาดใดคิดออกมาขนาดใดมีแต่เรื่องของกิเลสออกมาทั้งนั้นเรื่องของอักของธรรมไม่มีเ น, นื้กิเลสมันหนามันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละขยับตัวออกมาจากใจนั่นคือความคิดปรุงต่างๆ มันมีเป็นเรื่องของกิเลสทางนั้นเพราะสติปัญญายัางไม่มีด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามฝึกสติปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังให้ทันกับกําลังของกิเลสทนเป็นไม่ได้สติเมือ่อได้รับการพิษฝนอบรมหรือรักษาบํารุงอยู่สมอดงจะต้องควาแก่กล้าสามารถขึ้นงไปยลำหนักปัญญาอยกเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นมาเองเฉยเฉยโดย ไม่ได้ใช่ว่านั้ไม่บังคับให้คิดแม้จะมีสมาธิขั้นใดนก็มีเถอะอันนี้เป็นความข้อจะมีความข้อจะผิดกันอยู่มากในวงปฏิบัติทั้งหลายเราได้เคยอ่านในแม้ในหนังสือก็อ่านเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองว่าว่าอย่างนี้เนี่ยสำคัญที่บอกเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองมันเกิดเองได้อย่างไร เราก็เป็นนักปฏิบัติผู้หนึ่งเมื่อไม่ได้ประจักษ์กับตัวเองแล้วใคยจะมาโผลได้เลยมันติดจมอยู่ในสมาธิมากี่ปีถ่งพ่อแม่โคจรนี่ขานาดใหญ่โตไล่ออกจากสมาธิถึงได้นำไปพิจารนานนะจากนั้นก็เริ่มออกทางด้านปัญญาที่นี่เมื่อจิตมันพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะเป็นเครื่องหนุนปัญญาคือสมาธิ ความแน่นหนามั่นคงของจิตมันพอตัวของมันแล้วไม่ได้ไดหวิวไหงุดหงิเรื่องอะไรมีความเอื้อหมอยู่ภายในความสงบของตัวเองแม้จะปุงจะคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามฐานแห่งความสงบเย็นนั้นไม่เคยลาตัวเองเลยเป็นพื้นฐานแน่นหนามั่นคงอยู่กับตัวเองมี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิโดยแน่นอนแล้วมันปัญญามันเกิดได้เมื่อไหร่ไม่เห็นมันเกิด พอที่พอภาวนาหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะความชหนาญพอกําหนดให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรงุงเท่านั้นพอกําหนดมันลงไม่ได้กีน่นาทีเลยเพราะความชหนาญพอลงไปนั่นก็เหลือแต่ความรู้เด่นอยู่อันเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเลยเหลือแต่รู้เท่านั้นสุดท้ายมันก็ติดความรู้นั่นว่านิลักเสดสันความรู้นั่นว่านี่แหละ คูจะเป็นนิพพานก็ผีฟื้นนี่แล้อจอตอัางแต่นั้นไม่ได้เรื่องราวอะไรหาทราบได ว, ว่าไอ้ผู้รู้ที่ดิ่งหรือแนวอยู่นั้นอ่ะมันมีอะไรฝังจมอยู่ภายในมันมันเราไม่ได้คิดจริงๆมันมีความเกี่ยวโยวงกับสิ่งใดบ้างเราไม่เห็นเพราะสติอบขอปัญญาไม่มีพอค้นออกทางด้านปัญญาพอปัญญาออกก้าวเดินเท่านั้น อมองเห็นะออสิ่งนั้นมองเห็นสิ่งนี้เกิดสะดุดใจขึ้นมาในแง่นั้นในแง่นี้แห่งธรรมทั้งหลายก็ตามมันไปเลือยพี่จะนากันไปเรื่อยแล้วเหตเรศก็ค่อยหลุดลอยไปเรื่อยอ่าเป็นอย่างนี้อ่าอ่าแล้วกันมีเป็นอย่างนี้เหลือนี่น่ะเห็นเห็นคุณค่าเลยนะี่เห็นคุณค่าของปัญญาแต่นั้นปัญญาก็ก้กาวไปเห็นเหตุเห็นผลทัดเจนไปดูระดัแบเบท่าไหร่ก็ ยิ่งมีความขยันมันยงังไม่ที่จะพิจารณาสุดท้ายเขต้องมามาตำหนิสมาธิว่านอนตายหรือไม่ได้เรื่องในเราอะนี่มันก็ไม่พอดีนักปฏิบัติแต่อย่างก็ตามอย่าลืมว่าสมาธินั้นจะมีถึงขั้นใดภูมิใดก็าตามถ้าไม่ให้ปัญญาให้เกิดปัญญาขึ้นมามันบังคับให้พิจิรณาแล้วปัญญาจะไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดเองนั้นผู้ การปฏิบัตทางสมาธิจะเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ของสมาธิแล้วมันก็ต้องเกิดปัญญาเองแต่นี้ไม่เห็นม้ไอ้เกิดก็ทําสมาธิมันก็มีแต่สมาธิทําเพื่อความสงบมันมีแต่ความสงบทำเพื่อยิ ป, ปัสินาคือความรู้แจ้งจริงก็ต้องค้นคว้ามันจะเป็นยิ ป, ปัตสนาลบความรู้แจ้งไปตามสับรู้แจ้งได้ต่าง ไม่ควรจะนอนใจหยิ่เถือนแต่เป็นความสงบขั้นไหนก็ตามควรจะปัญญาขั้นนั้นๆเป็นลําดับนี่เป็นทางที่ถูกเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ปฏิบัติจะไม่ต้องทําให้เสียวเวลาเวลาว่าเราอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกมีครูมีอาจารยคอยแนะนิธการให้ทราบแล้วมันก็ควรจะดําเนินไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่ มีอะไรสงสัยผู้เทศ ก, ก็ไม่สงสัยผมพูดตามควางจริงผมไม่ได้สงสัยในการสอนเหล่าเพื่อนเพราะได้ผ่านมาอย่างนั้นเป็นหมา่างนั้นทั้งภายเหตุก็กระจัดใจมาโดยลำหนักภายผลก็ประจักษ์ใจมาดยลำหนักอย่างขณะอย่างขณะที่พูดแบบทั้งแต่ขณะตื่นขึ้นมาอ่สติกับปัญญาหมุนตัวเป็นเปียวอยู่กับงานคือการถอดถอนกิเลสดื่อการคาา้นคว้าขุี้เขี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตามแต่อุบาของสติปัญญาที่จะหมุนในตามกิเลส มันเป็นคนกายหนึ่งของฤาษีปัญญาจนกระทั่งถึงขนาดหลับได้ทบทวนตัวเองดูว่ามันมีเผลอเวลาไหนมา้มางมหมตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมามันก็มีแต่หมุนติ้วที่อยู่กับงานนี้ต่อไปจนกระทั่งหลับไม่มีปรากฏมันเผลอที่ตรไหนนั่นฟังเลนี่มันก็เป็นเองอยู่แล้วนี่แนะนํำมาพูดให้ฟัง แต่ไม่ได้หมายถึงกันทั้งหลายมายึดเอาเหล่านี้ไปเป็นสัญญาลมหรือถือเอาเป็นเอาไปทุกกระเบียดไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งหรือเป็นแนวทางที่จะพอไต่เต้าไปด้วยแม้จะไม่เป็นเช่นนั้นทุกกระเบียดก็ตามเถอะขอให้เป็นแบบลูกศิษย์มีคือเพราะการพูดนี้พูดตามหลักความจริงของสติปัญญาที่เคยเร่มรู้คุกคานมาแล้วแต่ตั้งตัวกงแนวหรือหมุนกิวที่ไปโดยไม่เผลอเมื่อเผลอตัว มีแต่ศาสตร์ตามที่เด็กประเภศต่างๆโดยไม่หยุดไมขอนี่แหละติก็ดียั ญ, ญาดาคนเมื่อได้รับกานอบรมอยู่เสมอไม่หยุดไน่ขอต้องเป็นแหนนี้จนได้ขอให้ทุกท่านพยายามขุดค้นมันไปของวิเศษอยู่ภายในจิตนี่แหละจิตดวงนี้นหละเป็นจิตที่วิเศษเวลานี้จิตดวงนี้เป็นจิตที่ต่าช้าเรียวตามหาคุณค่าไม่ได้เพราะที่เลส ซึ่งเป็นของำสำคัญตามครอบจิตจิตไปเลยเป็นของมีิุณค่าไม่เล็เป็นสิ่งที่หาคอณข้าไมา่เล็กเลยนจึงต้องคำละออกด้วยความพยมายมหมั่นเปียนอุบายสติปัญญาของใครมีอย่างไะให้นํามาท้ายเราอย่าหวังพอยแต่อุบายการทุกแง่ทุกมุมไปนเนีง่ต่างๆอุบายของสติปัญญาทีา่ตัณองแต่เราคิดเราได้โดยทางเรานั้นเนี่ยกินไม่หมดแต่เราคิดได้เอง ท่านบอกแต่วิธียื่นให้เป็นสิ้นปิดอันแล้วรับไปตีแผ่มันเลยหลายแหหลายขาแขนงนั่นจึงเป็นสมบัติของเราแาาท้อนนั้อาจจะพิจารณาถึงอสุภะก็เอาเลเอเอาให้จริงอสุภะมันก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่คลายดูมทำเที่ยวกรรมฐ า, านตั้งแต่ข้างบนลงไปตั้งแต่บนทีษะลงไปถึงพื้นเท้า ฝาเท้าขึ้นมาถึงพิษะรอบด้านตะจักรยานตูมมีหนังหุมอยู่โดยรอบหุ้มอะไรหุ้มปวามปฏิบูรณ์โคลกตัวหนังเองก็ปฏิบูรย์มีผนิดหน่อยทั้งนอกที่พอดูได้แล้วก็มีตั้งแต่ที่เหนื้อที่ใครเป็นตังค์ต้องเช้าต้องล้างเพ้าะปกรกออกมาจากภายในต้อ้าต้องล้างทุกวันทุกเวลา มันมันเป็นอย่างไงดูมันดีหมดผู้ใดพิจารณากายเหลือชอบกายมีผ้าที่นี้พิจารณากายแยกขยายกายตามตัดตามส่วน ท, ที่มีอยู่ด้วยปัญญาอยู่โยสม่งเสมอผู้นั้นน่ะจะ ก, ก้าวไปได้เร็วแลวถิเป็นเป็นติดสำคัญแห่งสนามรบด้วยกายยักษาต า, าสติเป็นของน้องคันในเมื่อจิตนั้นติดอยู่ในเมื่อในกายแล้ว กายนี่เป็นของสำคัญที่ต้องพิจารณาให้รู้ตลอดเพื่อถึงด้วยปัญญาหน้าที่ทำความสงบก็ไม่ต้องไปคิดไปยุ่งกับปัญญาทำเป็นเหมือนไม่เคยคิดเลยลทำตั้งแต่หน้าที่ให้สยสงบโดยหายเดียวเท่านั้นหไม่ให้ก้าวกลาวกันเวลาทำใจเพื่อความสงบ พ, พักใจ ให้สะดวกสมายหายห่วงวุ่นระจากความวุ่นมายไม่ตั้งหน้าตัางารร้งตาทาความสงบ อ, อย่างเป็นเม็มเตตาเหนื่อยโดยไม่เป็นห่วงใ ย, ยกับเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาเลยในขณะนั้นคิดได้ทักสงบให้เห็นกระจัด ก, กับตัวเองพอถอยออกจากนั้นมาแล้วควรจะการงานที่ต้องพิจารณาแล้วเอาที่นี่ก้าทางปัญญาค้นคิดมันมโลกธาตุมันกระเทือนไงหมดนี่เป็นไย สมาธิไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กั บ, มกบสมาธินั้นเลยในขณะที่เดินปัญญานั่นเรียกว่าถูกต้องแต่ทาหน้าที่ใดให้จริงจังต่อหน้าที่นั้นเหมือนกับน้ามันไหลลงช่องเดียบมีกําลังมากเดี๋ยวจะเป็นห่วงปัญญาเวลานั่งสมาธิเวลาพิ่จะณาปัญญาก็จะไปห่วงสมาธิเลยยุ่งกันไปยุ่งกันมาหาทางไปในน่าใช่อย่างนั้นเป็นคนกับจุดหาความจริงจังในตัวเองไม่มี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 มีลูกท่านี้อย่าไปห่วงยายโลกนี้ไม่หายไปไหนแหละมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายทับผมกันอยู่ตลอดเวลามามันไม่ไปไหนเนี่ยโลกอันนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสลายพักผเป็นดยู่นันตลอดไปเราห่วงยายเออกับมันร่างกายที่พาดูนพาเดินพาหลับนอนพักะ่าพาถัดยืนอยู่ผููวาอยู่ตลอดเวลานี้มันก็แปลสภาพของมันมาจนขนาดนี้แล้วที่มันแตกรอนเป็นเด็กๆด็กตัวดแดง ตกออกมาจากท้องแม่ที่แรกมันเป็นยังไงแล้วก็มันโตขนาดนี้มันโตไปอะไรนี่ความโตนั้นอันนี้จังมันกัดโตไปด้วยทุกครั้งกัดโตไปด้วยอนัตตากัโตไปด้วยนี่ความจะแปลสภาพความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันโตไปด้วยด้วยกันมันแหละเราจะหาความดีความดีจากความโตแห่งสั้งสามนี้ได้ยังไงถ้าไม่เอาความดีจากสติปัญญาหาสติปัญญาไม่เติบไม่โตไม่เจริญรุ่งเรืองเราเราจะหาทางเอาตัวรอบใน่ นอนเอาะั้งขานตายจมทั้งขานแล้วก็เดินข้งขานีาเกาะกําเนิดเกิดอี่เป็นเดือนหน้ า, า, าเห็นความปวดเจ็บจิตใจแห่งกองกทอดดอุ้งฟ้าเยอะอีกตลอดรังดังคำพื้นยังรุ่งกากับอันงการหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ต้องการจะตัดพบตัดชาติจึงต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องหนักในทางความเพียรทุกข์กท็กทุกเถอะเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเป็นสุขล้วนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมันมีความสุขความทุกข์สับ คนกันตลอดมาทั้งเศรษฐีกรุงเทพทั้งคนรู้คนฉนาดจอมปราดไหนก็ตามเรื่องสังขารนี่มันไม่ฟังใครทั้งนั้นนะ่ะคนจนคนมีมีกองทุกข์เกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่ขันนี้อยู่เต็มตัวด้วยกันเราเคยทุกข์มาแล้วไม่ควรจะย่อท้อนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทุกอันนี้ทุกเพื่อผลอันดีทุกเพื่อความเลิ่อนลือความประเสริฐทุกเพื่อการถอดถอนที่ดี เป็นอิสาระภาพภายในจิตใจส่วนไม่ต้องเยี่ยมว่าตาเกิดในวัฏจักรส่วานทุกข์ขนาดไหนก็ยอมรับขอให้มีสติปัญญาศรัทธาความริงหมุนไปกับทุกข์เถิดแต่อย่าไปทนทุกข์เอาอยู่ยเฉยอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ทุกข์เกิดมากน้อยเอาปัญญาขุดค้นลงไปให้มันเห็นทุกเป็นทุกข์ล้วนๆเป็นความจริงอันหนึ่งยางกระจักใจกายแต่ละส่วนก็ให้เป็นเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งอาการของกายนั้นๆ จิตก็มีแต่ความรู้อยู่โดยนําพังของตัวเองส่ว<ม>นสัญญามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปดับไปเปห ม, มายนั้นว่าเราหมายนี้ว่าของเราหมายว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มีมันมันหลอกเราเมื่อพิจารณาแยกแยะให้เห็นกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาแล้วจิตจะไม่สักแต่ว่าจิตได้ยังไงสัญญาลมความหมายนั้นมันก็ดับไปการพิจารณามันจริงจังอย่างนี้ นี่ในวงสติปัญสีพูดอาอริยสติก็ถูกสติปัญสีก็ถูกมันถูกอิกที่ตัวของเราเนี่เอาให้จริงให้จังไม่อย่าลดถนัก้อถอนผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากผมต้ อ, อย่าให้การอารมณ์อยู่เสมงเดี๋ยวนั่งก่อนหยุดเลยพาไปได้ อบรมปลูกปิดปลูกใจปลูกเกื่อความถูกต้อ ง, งาตามอรถตามธรรมยึดไปปฏิบัติปฏิบัติไม่อยากจะรับความเกิดง่วงล้างหน้าหาอุบายวิธีดังข้างพุทธการต้องทำท่านเชียน์ไม่ทำไมถ้าไมาเชียนไว้สอนโทษเก่านั่งง่วงลงเดินเดินมันง่ว ง, ง ม, มีอยู่ในประวัติอของสาวกลางอยาง ตงงลงไปในน้ํานะลงไปในน้ำ ข, ขึ้นแค่เท่าแค่อะไรยังยังง่วงลงไปเรื่อยมันยังง่วงเออทหารยญ้าหาฟางเาสิ่งน้ําพอกบนทีน่ก่หามีเป็นฐานง่วงที่จะนาทําทั้งหลายอยู่นั่นตอนนี้บรรลุธรรมนี่สัง่งเลนั่นแ ต, แต่ตอนนั้นความเข้าใจของเราว่าจิตทั้งขึ้นก้าวขึ้นสูงสูงมากแล้วแทบ ความง้องง้งนั้นมันไม่ไว้หน้าผู้ใดท่านจึงต้องหาอุบายวิธีด้วยเทปิปัญญาของท่านเพื่อความพ้นทุกข์อย่างรวดเร็วมาปฏิบัติต่อความง่องนี้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงในน้ำแล้วก็ลงไปลงไปท่านมาันก็ยังมาหาง้วงเอาจทั่งเอาย่าเอาฟางจุมน้ำแล้วมาพอกบนที่สับ พิจารณาถึงบางรูปธรรมขั้นหนึนน่ง ห, หมายถึงธรรมขั้นสูงจิตภูมิดิสูงไม่ท้อถอยในความเพียรแต่ธาตุขันมันอยากหลับอยากนอนงโอกงวอกธาตุขันมันเป็นธาตุขันท์บางที่พระโสนะท่านประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกมันกันเราเล่งไปในแง่งความเพียรกล้าของท่านถึงจิด สติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวไปกับความเปลี่ยนมันตลอดเวลาเลยลืมเพลิดเพลินไปในการเดินจงกรมจนกระทัง่งสาพาแตท่ที่ว่ามันไม่พอดีนั่นก็คือการคน้นการพิจารณานานนั่นมันฟุ้งเกินไปทีเดียวอุธทธจากเธินในการพิจนารณาเกินไปไม่เข้าพักในเรือนสมาธิเมื่อเขาพักพอสมควรแล้วออก พิจารณาพิจารณาของส่วนนะี้พักอันนี้เรียวกว่าถูกต้องไม่ผิดเหมือนกับคนทํางานเวลาทํางานก็ตั้งหน้าตั้งตาทาให้จริงให้จริงผลของงานเป็นลําดับลำดับ อ, อีกนี้เมื่อว่าก็มารับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายไม่เป็นกังวลกับงานการใดทั้งสิ้นในขณะงานพักให้สบายเป็นทาาขันเพียงพอกับความต้องการนะั้อ้าว ประกอบการงานมีจิตก็เหมือนการความชิงความความคิดความพ้นพินิพจารนาต่างๆนั้นเป็นงานของจิตความคิดความตรงแม้จะเป็นเรื่องของปัญญาก็เป็นงานของจิตจิตต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลหมือนกันจึงต้องเข้าพักสมาธิคือความสงบหยุดอากัปปิญาโดยประการทั้งปวงเหลือจากความรู้ล้วนๆที่เป็นความสงบที่ภายในสมาธินั้นเพียงเท่านั้นก็มีกำลังพอ ถอยออกมาจากนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันก็เหมือนมีดที่เราได้รับหินเรียบร้อยแล้วเจ้าของก็พักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารมีกําลังแล้ววิละเอียดตัวนั้นปัญญาทิ่อันนั้นแหละฟาดฟันหันแดกกันลงไปได้อย่างรวดเร็วคลิกกับที่ยังไม่ได้พักผิอนเป็นยังไงเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้พักผ่อนนอนหลับสะดวกสบายหินก็มีดก็รับหินเรียบร้อยแล้วไม้พ่อ น, นั้นแหละ ฟันลงไปคนคนนั้นแหละอืมคนคนเก่าที่กําลังอ in ่อนเปลียดนั้นเนี่ยเขามีกําลังแล้วฟันไม้ท่อนนั้นชิ้นนั้นขาดสะบ้านจะได้เลยน่ะเนี่ยธรรมะสมาธิปริพทาวิชปัญญามหาพลาโขทิมห้านขัางขปัญญาสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีปรยชมากก็คือว่าปัญญาอันมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนฮะเหมือนกับแม่ครัวจะปรุงอาหาร มีเคร air, ah ื่องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตรุงให้เป็นอาหารประเภทใดก็ได้ถ้าไม่ปรุงเครื่องครัวก็ท <No. S 1> ิ้งนั้นเป็นผักก็ทิ้งนั้นพริกก็ทิ Fut ้งอยู่นั้นเนื้อก็ทิ้งอยู่นั้นมันก็เป็นเนื้อเป็นผักคือฮั้นนมันจะเป็นแกงได้อย่างนี้นี่สมาธิมันก็เป็นสมาธิอย่างนั้นถ้าไม่ประกอบให้เป็นปัญญาเหมือนกับเครื่องครัวทั้งหลายที่นํามาปรุงอาหารถ้าไม่ประกอบให้เป็นอาหารประเภทใดมันก็ไม่สําเร็จ มันก็เป็นเครื่องครัวอย่นั้นต่อไปมันก็เน่าเปะทิ้งไปเลยไม่เกิดประโยชน์เนี่ยนี่สมาธิก็เหมือนตัดสลังไก็หลงในสมาธิติดสมาธิก็เหมือนกับ เ, เน่าเปะอยู่ในสมาธิที่เป็นที่หรูป้นที่ตรงไหนสมาธินั้นเป็ น, นเรียงเครื่องหงให้จิตใจมีกําลังจิตใจเมื่อมีจะมีสมาธิแล้วมีความอิ่มตัวไม่มีหัยกับ อ, อารมณ์อะไรควรแก่การพิจนารณาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นควหมายว่าอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิเป็นสิ่งที่ เป็นธรรมชาติที่ถอดถอนพิเลยนะมันข้าพิเดชกอาไว้หรือรวมพิเดชรวมตัวพิเดชเข้ามาสู่จิตหรือเป็นเครื่องหนุนปัญดาให้พิณิพิจนาเพราะจิตที่มีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วย่อมทํางานได้อย่างดีไม่เต็ไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์ปัเหมือนอย่างเรารับทานอาหา ร, หรอิ่มหนำสมานแล้วทํางานก็จะ็เม็ดเป็นหนอนทำเวลาหิวให้เป็นยังไงคนเรา ทำมะจับจับจุดจุดความโามโหกองก่เอเหวจิตใจเมื่อมันมีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทะเลทรายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกกลางฐานไปเสียในหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะนั้นสมาธิจึงเป็นทำน้ำขามที่เป็นเครื่องหนุนปัญญาปัญญาบริภาตังจิตตังสัมมาเดวะอัศเรหิมุจะติจนะิตอันปัญญา สมาธิอันปัญญาอันสมาธอบรมแล้วย่อมมีผลมากชอบจิตทีป่ปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบน่ปัญญานี่ยเขาไปซักพ่อกิเลสที่มีอยู่ในจิตสมาธิไปชักพ่อได้อย่างไรหนุนก็ไปเป็นหลักเรื่องของสมาธิเป็นสมาธิเหมือนกับบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามหนึ่งไปไเรื่อยเศีลก็เป็นขั้นของศีล สมาธิเป็นขั้นสมาธิปัญญาเป็นขั้น ข, นของปัญญาหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกับปัญญาที่ตัดขัดใระจาหมดิเทุกประเภทไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นคือคุณค่ามหาศาลเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติที่สละเป็นสละตาเพื่อผลั น, นความทุกข์ทั้งมวล น, นั้นก็กลายเป็นต้นทุนไปเป็นปุ๋ยไปเสีย จิตใจได้มีความไปลินงอกงามขึ้นเป็นแมเป็นหนือเต็มที่เป็านถึงบณิตานทั้งๆสดๆทั้งๆ ท, ท, ที่ยังมีชีวิอตอยู่ตั้งอตั้งใจทะติยภูมิรรมปัญญาธิบายหมเคลื่อน